นอกศาสนาพุทธเนี่ยก็แอบแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธนี่เยอะมากเลยแล้วก็ยังแอบมาตลอดนะถึงยุคเรานี้ก็ยังแอบอยู่นะส่วนในที่สุดเขาก็เผยแพร่คําสอนของเขาปนะนมาในคาสอนของพระพุทธเจ้าคนทั่วๆไปแยกไม่ออกละทีเดละทีต่างๆปนเข้ามามากมายเชยกรทั่งพระที่ดีๆนะทนทนไม่ไหว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 ยกนั้นก็ท่านเก่งท่านมีฝีมือมากพวกเราเคยได้ยินชื่อพระอุปคุดนหะในฝ่ายเถราวัฒนเรามีพระโมคคะลีบุตรติสสะเถระไม่มีใครรู้จักฝ่ายมหายานในองค์ที่มาช่วยเรื่องสังฆทนานะคือพระอุปคุดรู้จักพระอุปคุดหรอไ <c oughs> รู้จักพระโมคคะลี บางท่านว่าองค์เดียวกันนะท่านว่าควรละองค์กันจะเป็นองค์ไหนไม่สำคัญแต่ว่าท่านประมวลธรรมะที่สะอาดหมดจดนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากนั้นพอมีหลักธรรมะที่ถูกต้องแล้วนะพระเจ้าโศกท่านสอบสวนพวกพระเลยถ้าคนไหนตอบไม่ได้นะัว่าศา ส, สนาพูดสอนอะไร ท่านรู้เลยว่านี่ของปลอมท่านให้สุดไม่ได้ลงโทษอะไรนะเอาผ้าขาวให้ให้เปลี่ยนผ้าไม่ให้ใช้ผ้าเหลืองนะช่วงน้นเป็นช่วงที่คลีนาศาสนาพุทธได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งนะพอหมดพระเจ้าโศกไปนะหมดคนที่เป็นหลักในการดูแลาศาสนาไปพวกนี้ก็แฝงเข้ามาอีกเนะงินเวลาที่พวกเรา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 พวกที่ถนัดเรื่องกายเรื่องอนะไรนียท่านจะเน้นไปเรื่องอายตนนะถ้าพวกที่ต้องการความรู้มากๆท่านก็สอนขยายออกไปนะเป็นเรื่องธาตุ8ิธาตุสนี่มีรูปธรรมมากมายนามธรรมมากมา ย, นะยาเยอะแยะบางทีท่านก็สอนขยายออกไปนะเป็นอินทรียนะ์ย2อินทรีย์ย2่สิ 22. จำนวนมากเลยส่วนใหญ่เลยเป็นนามธรรม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 นั้นความเป็นรถจน์จริงๆเป็นภาพลวงตาซึ่งเกิดจากคณะคาร์คังรอนหนูคณะของอะไรจํานวนมากที่มารวมกันวิธีที่จะให้เห็นความจริงว่ารถจน์ไม่มีถอดมันออกมาเป็นชิ้นๆวิธีที่จะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็คือถอดตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนกันจะถอดออกมาในในแง่ของขันห้าก็ได้ถอดในแง่ของอายตนะหก็ได้ถอดในแง่ของ ธาสบแก็ได้นะถอดในแง่ของอินทรีย์22ก็ได้นะถอดในแง่ ใ, ใดก็ไดนะ้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเนี้ยออกมาเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยเป็นหลักการปฏิบัตินะเรียกว่าเรียนรู้ความจริงด้วยการจับมันแยกวิพัชชวิธีวาแหวนสระอีพอสัเภาเวทนาากาชอช้างวิพัตนวิพัชวิี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 เนี่ยจิตมันหลงจิตหลงไปจิตเผลอไปเผลอได้หกช่องเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนจิตไปเพ่งเพ่งโลกประธรรมก็ได้เพ่งนามธรรมก็ได้นะแต่จะไปอยู่นิ่งๆที่เดียวถ้าจิตเผลอไปนะันจะไหลไหลไหลไปไปอยู่ในโลกของความคิดซะเป็นส่วนใหญ่ดงั้นจิตของนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัตินะมันจะไม่เผลอไปมันก็เพ่งไว้นะ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 เพ <benefici> ่งอยู่รู้ว่าเพ่งรู้สึกตัวอยู่รู้ว่ารู้สึกตัวอยู่นะในส่วนจะเห็นนะจิตที่เผลอเกิดแล้ว <nunca> <แล> ก, ก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจนะิตที่เพ่งเกิดแล้วก็ดับถ้าทำำาํากรรมฐานอย่างนี้ดูอยู่แค่นี้นะแค่นี้ก็พอถึจงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะาทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ